เขาบอกว่าเทศยาแล้วภายในห้าวันหรือสิบวันหลวงพ่อจังไกลหมอไม่ได้จะมีอันตรายเกิดกับหลวงพ่อเว่าอย่างไรหลวงพ่อก็จำปิดต้องอยู่ถึงวันที่ยี่สิบห้าก็มีคนนี่มนไปเทศต่างจังหวัดก็ไม่ไปเพราะเราจะมาทําบุญหาในเทียนแต่ไม่ใช่ทําบุญให้ในายเทียนทําบุญหาในเทียนนายเทียนอยู่ที่ไหนญาติจงคงจะรู้วันนี้ มาทีแรกก็ต้องร้อนๆก็มาทำความเข้าใจกับแม่ไพ่เดีว่าแม่นางไยัยนางไทยนายไกลนายจงไม่อยู่ก็มีหลวงพ่อกับนายทิตนายเตียบ ม, มาทำความเข้าใจสิ่งที่บางอย่างเรียบร้อยพอดีคราวนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนเพื่อนญาติโยมผู้ที่มาฟังธรรมเดีาามาทำบุญไห้นายนเทียนวันนี้ก็เป็นวัน อังคารนะวันวันอังคารที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าตรงกับบันแลกเจ็ดคันเดือนเก้านังนั่งการทำบุญโดยมากเราไปยกงอที่คนตายเต็นหลวงพออ่อไม่ยกหย่อแต่ว่าทำการทำงานเรียบร้อยก็ต้องพูดให้ฟังคนตายตายแล้วเราจะทำยังไงคนตายนั้นอนะ่ะคนตาย เนี่ยพ่อตายนางไทยกับนางไพรนายไก่ก็ต้องจิตใจเศร้าหมองเพราะว่าขาดไปคนหนึ่งแล้วทีแรกต้องมีหลายคนเดี๋ยวแม่ภัยก็ต้องขาดไปคนนึงเพราใจเศร้าหมองวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าไปสแสดงธรรมนะมองต้องไปสแสดงธรรมเพืขเข้าใจเขาไม่ต้องเศร้าหมองทําจิตใจให้ล่าเริงเบิกบานถ้าจิตใจเศร้าหมองตายไปแล้วคนสองคนที่เหลืออยู่กับจิตใจเศร้าหมองมันคุก บางที่อาจเป็นบ้าตายไปทั้งสองคนก็ได้ดังนั้นวันนี้ต้องตั้งใจฟังมีคําคํานึงอยากเน้นญาติโยมก่อนเบื้องต้นเดี๋ยว่าให้น้ําให้กํำลังใจแล้วกับภระสงฆ์ของเราให้น้ําให้กําลังใจถ้าให้น้ําให้กําลังใจแล้วคนใดยังไม่เอาไปดื่มเอาไปกินน้ําก็ไม่เป็นยาภาะสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันให้ยาแล้วไม่เอาไปรักษามันก็ไม่หายโรค ฉันว่าคนโบราณญาติโยมเกียรติธรรมะญาติโยมเกียรติธรรมะจาได้นะพระสงฆ์องค์เจ้าเกียรติวินัยแต่ไม่ได้เกียรติธรรมะญาติโยมเอาบุญเรื่อยๆไปที่ไหนก็ไปเอาบุญไปฟังเทศก็ไปเอาบุญไปตักบาตรให้พระก็ไปเอาบุญจะเกียรติธรรมะทําไมแต่ไม่รู้ว่าเกียรติธรรมะคืออะไรไม่รู้ วันนี้ไปรักษาสิ่ก็ไปเอาบุญต้องการบุญอยู่แล้วบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้จริงว่ะสมมุติให้กับพระเออญาติโยมเกียรติธรรมะพูดธรรมะให้ฟังไม่รู้เรื่องง่วงนอนในบางคนขันเป็นผู้หญิงก็ออกมากมาตักก๊กกุ๊กเก็เนี่ยเกียรติธรรมะเพื่อจะแก้ง่วงนอนนั้นเองไม่มีเรื่องอะไรหรอกผู้ชายก็เอาสูบบุหรี่เอาบุหรี่มาเคาะก๊กกุ๊กเก็กเกกเพื่อจะแก้ง่วง อันนั้นแสดงว่าฟังธรรมะไม่รู้เรื่องง่งวงนอนที่พ่อตัวเองไม่เคยฟังธรรมะที่ท่านสอนให้อันนี้แสดงว่าคนใดง่วงหลับง่วงนอนฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าคนนั้นเกียรติธรรมะแต่อย่างนั้ น, น, นธรรมะคือตัวเราให้ขอ้อคิดไว้สั้นๆคนนะวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยไปฟังพระแสดงในพระปฏิโมกมันยาวเนี่ยปฏิโมกข์อะลงแสดงอุโบสถเนี่ยตั้ง ส้มงบางองค์บางองค์ก็สองส้มงก็มีบางองค์สามสิงงมบางององนาทีใกล้ที่สุดสามสิบนาทีเร็วพอสมควรสี่สิบนาทีมีจํานวนมากฟังพระท่านแสดงปาเตโมกเลี้ยวเกี่ยวกับเรื่องวินัยง่วงนอนอิละพระสงฆ์พ่อฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นภาษาบาลีเนี่ยภาษาบาลีพระพุทธเจ้าแสดงทำแสดงพระปาิโมกให้พระสงฆ์องค์เนนฟังในประเทศอินเดียคนอินเดียฟังก็ต้องรู้จิ บาลีพระในเมืองไทยไปฟังพระสวดปฏิโมกข์มันจะรู้ทาไมเป็นภาษาบาลีเลยมันต้องเรียนยังจะรู้ดังนั้นพระสงฆ์ต้องเกียรติวินัยคือฟังพระแสดงพระไปที่บอกง่วงนอนบางคนได้ตื่นก็มี น, มนี่ไม่รู้นกเยอะแยะท่านสวดไปแล้วอาบัตคืออะไรทําอะไรเป็นอาบัตไม่รู้เลยอันนี้แสดงว่าพระสงฆ์เกียติวินัยไม่รู้ข้อวัดปฏิบัติ เมื่อไม่รู้เพราะว่าปฏิบัติมันจะได้ประโยชน์อะไรเท่าที่ควรได้แต่มันไม่สมหวังพูดความจริงๆนะครับอาจจะมาพูดความจริงแต่มันชอบเป็นคำหยาบคายแต่ไม่ใช่เป็นคําหยาบคายด้วคนใดมีปัญญาฟังแล้วไปสใส่ได้บ้านหลวงพ่ออย่างน้อยหลวงพ่ อ, อย่างน้อยนะหลวงพ่อกินข้าวมีปลามีเนื้อก็ตามแล้วก็กินเนื้อมันคนนะกินเนื้อมันปลาก็ต้องกินเนื้อมัน เนื้อก็ต้องกินเนื้อมันกระดูกไม่กินดูกไม่กินก้างไม่กินคนเอาวางไว้แับนี้เอาให้ใครกินขอดูญาตนะผู้คนจริงคาวนี้ก็จะเหมือนการจะถามหลวงพ่อให้ดูได้วันนี้ให้แมวกินก้างดูกมันให้แมวกินให้หมากินใช่ไหมหลวงพ่อเออคนเราไปชอบกินกระดูกกินก้างจะใช้ได้ไหมมันก็ใไ้ไม่ได้อย่างนั้นนี่พูดควมจริงให้ฟังอย่างนี้จะเลยโอ้มาพูดให้เราด่าเราเลยไม่ใช่อย่างนั้น พอต้องการความจริงก็ต้องเล่าความจริงให้ฟังดังนั้นมาทําบุญให้ในเตียมไม่ใช่ทําบุญให้เพราะเอาในเตียมเพ่อคุณหลวงทําบุญให้ในเทียนนเมื่อกี้เนี่ยมันหลงทีเนี่ยเพราะว่าในเตียมกับในเทียนเป็นลูกบางทีในเทียนตายไปหอดาวในเตียมเ่งบัดนี้หลวงพ่อเป็นคนพูดเพราะว่าจะพูดความจริงให้ญาติโยมฟังแต่ในเทียนพูดไม่ได้หรอกถึงมาเป็นคนมันก็พูดไม่ได้หรอกอย่างนั้นคนมันก็เป็นอย่างนั้น่ะ เพราะมันเรื่องของเรื่องดังนั้นคนเราต้องมีความสลาดภายใน จ, จิตใจถ้าไม่สลัดแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในถ้าถ้าเนี่ยมืดมิ ด, ม, ดมานานแสนนานเมื่อเราเข้าไปในถ้ำจะไม่รู้ทิศทางเลยไปไหนมาไหนไม่รู้เข้าที่ไหนออกที่ไหนไม่รู้คนมีปัญญาเขาเข้าไปในถ้ำจุดไฟเข้าไปจุดเข้าไปเข้าทางนี้ออกทางนั้นได้คนมีปัญญา การปฏิบัติธรรมะอยู่ที่ไหนก็ได้คนไม่มีปัญญานั่นน่ะต้องไปหาสำนักนั้นสำนักนี้หาครูบาอาจารย์ที่นั่นที่นี้ทําบุญอย่างนั้นทําบุญอย่างนี้ทอดกรถินบ้างทอดผ้าป่าบ้างบางสกุลบ้างแม้มันหลายอย่างคนโบราณท่านจึงสอนเอาลแะบบทางก้วงยาวไกลไปไม่ถึงคนโง่จะไปถึงไม่ทางก้วงมันก็วกวนอยนู่นั่นเอง ทางก้วงเหาไกลไปไม่ถึงอย่าเงี้ย บ, บัดนี้ทางก้วงยาวไกลไปต้องถึงนี่นอะไรงีนคนสลาดต้องไปถึงที่อ่าวสมมุติให้ฟังคนนึงเดินไปจากที่อําเภอปักสมเนี่ยไปถึงเติงคานถึงมะลุพอวันถึงไหมถึงก็ค้ำนะค้ำบัดนี้ถ้านั่งรถยนต์ไปบัดเนี่ยประมาณจะ ก, กี่ชั่วโมงถึงประมาณชั่วโมง ส่วหนึงถึงบัตรคนเดินสิบสองส่วโมงไม่ถึงเออสิบสอ่วโมงยังถึงแต่ถึงก็บางที่อาจสิบ13ามส่วโมงก็ได้อย่างจะถึงบัตนี้ขี่รถยนต์ไปส่วโมงหนึ่งถึงถ้าขึ้นเครื่องบินไปเดี๋ยวเขาจะนาทีเนี่เขาใจอย่างนี้เนี่คนมีปัญญาต้องไม่กินก้างไม่กินกระดูกหากินแต่เนื้อเั็นว่าอย่างนั้น คนไม่มีปัญญาจําเป็นต้องกินก้างบ้างกินดูบ้างกินเนื้อบ้างปะบนกันไปจ้ว่ยทําบุญก็ต้องการสวรรค์นิพพานรักษาศีลก็ต้องการสวรรค์นิพพานทํากรรมฐานก็ต้องการสวรรค์นิพพานเจริญมิปสนาก็ต้องการสวรรค์นิพพานที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนเข้าใจไหมไม่รู้คนโบราณท่านจึงสอนอวสัชวร์อยู่ในอกนันลกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจจะสอนแต่เราไม่รู้นิพพาน จะเอานิพพานไปใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนโยดนิพพานนี่ควรเอาไปใช้กับการกำเนินทุกวิธีนิพพานได้เหมือนกับลูกตุ้มลูกตุ้มสิงต้นสิงอย่างที่เราเคยลูกตุ้มต้นสิงเนี่ยน้ำหนักยี่สิบกิโลเอาลูกตุ้นต้นสิงเนี่ยน้ำหนักไม่ถึงกิโลต้นสิงเนี่ยมันก็ท่วงอนันไปได้ดังนั้นนิพพานกับสวรรค์นี่ว่าเป็นท่วงไรหรือเหมือนลูกล้อหรือเหมือนเบรกรถ หรือเหมือนกับสมอเรือเกาะไว้ไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือไปตามกระแสของน้ำถ้ามันจะไปตามกระแสของน้ำก็ทิ้มสมอลงให้เหลือเกาะไว้รถก็เช่นเดียวกันวิ่งเร็วเขาก็ต้องเบร์รถไว้ชะลอชะลอไว้ให้รถไปดีๆมันจึงจะปลอดภัยดังนั้นคนมีปัญญาไปก็ต้องถึงนิพพานแม้จะก้วงจะยาก็ตามเขาต้องขึ้นเครื่องบินไปให้ถึงยังไง วัฏฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมนี่เขว่าคนไม่รู้ธรรมก็ต้องหาธรรมะนี่คนที่รู้ธรรมเนี่ไม่ต้องไปหาธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือคนนั่นเองคนนั่นแหละคือธรรมะทำดีเราะว่าทำไม่ทำดีทำไม่ดีเขาว่าทำดีเนยทำดีคือใครคนใจดีจึงทำดีได้บัดนี้ทำไม่ดีบัดเนี้ย น, นก็คนไม่ดีจึงฉันทาช่วยได้คนไม่ดีคือยังไงก็มันทําไม่ดีคนทําไม่ดีจะเป็นคนดีไหมไม่ดีต้องเป็นคนเลวที่อย่างว่าแพงขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจเป็นสติรสารก็ได้เมื่อกี้ก็พูดในวัดวันนี้ก็ต้องพูดที่นี่อีกแล้วถามโยมคนก็ได้โยมเคยเห็นตัวหมาไหมบ้านเขาเรียกว่าตหมานะ <c oughs> มี่ไหมตัวหมาเคยเห็นมหมาบ้างไห หมามันเกิดลูกหมามันเกิดลูกแม่โรคอ่อนนะมันกินนมแม่เหมือนบางไหมเนื้อกินนมแม่เหมือนนะหมาไม่ต้องกินนมแม่เหมือนตัวหมูเคยเห็นไหมหมูมันกินนมแม่เหมือนมาไหมกินนมแม่มันที่เราเห็นด้วยตาเราเนี่ยตัวงูตัวควายมันเกิดมามันกินนมแม่มันใช่ไหมคนเกิดมามันต้องกินนมแม่มันเหมือนกันและบัตดีหมามันกินนมแม่เหมือนใหญ่ขึ้นมาแล้ว แม่ไปแย่งอาหารมันกัดแน่ไหมเคยเห็นบ้งไหมแน่เป็นอย่างไัเนี่ยคนถ้าเป็นอย่างนั้นกิดหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนจิตใจเป็นสัตตร์เดลสารเขาได้เการทําการพูดการคิดไม่รู้จักจิตใจตัวเองแล้วเขาว่าคนไม่มีความละอายในใจเห็นไหมคนไม่มีความละอายในใจจะว่ายังไงเขาว่าสัสตร์เดลสารมันมีผมละอายมันอยากขี้ที่ไหนมันก็ขี้มันอยากเงี้ยวที่ไหนมันก็เงี้ยวไปสัสตร์เดลสารเนี่ย เห็นคนหลายหลายมันก pues ็ไปเง้งขาขึ้นกับเยี้ยวลถตนมาบางคนไม่นเงี้ยวดถคนก็มีนะไม่เป็นอย่างนั้นไงคนเราถ้าทําอย่างนั้นไม่ใช่คนนะแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนใจมันเป็นสติรสารเลยจะถือว่าคนนั้นเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติสอบไหมไม่ได้จะว่าคนที่เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เขาบอกคนมีตาทิพตตาทิพของปุถุชนกับตาทิพของคนมีปัญญาไม่เหมือนกัน ตาทิพของคุณปุถุชนคิดตัวเองนะเคยคิดอย่างนั่งอยู่นี่ต้องมองเห็นรถตเตี่ก็จะหมุนออกเลขนั้นเลขนี้เข้าไปนั่งกรรมฐ า, านเห็นเลขนั้นนี้จะออกเนี่ยมันเข้าใจไปอย่างนั้ น, น, นปุถุชนชอบคิดอย่างนั้นอันนั้นเป็นความคิดของปุถุชนปุถุไป่าพูดหนาผููแน่นเอา่า้ยังไงบัดนี้ความคิดความเห็นของอรียบบุคคลไม่เป็นอย่างนั้นจริงว่าหูทิพ หูทิพตาทิพของพระเรียบบุคคลไม่เป็นอย่างนั้นต้องเห็นจิตใจนึกคิดตัวเองนี่เองที่ว่าเป็นผู้มีหูทิพตาทิพคนมีหูทิพตาทิพจึงเห็นผีเห็นเทวดาได้อย่างเงี้ยคนไม่มีตาทิพไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาเลยจริงๆนะเออเคยพูดเลยเห็นผีเคยเห็นั้างไหมเคยเห็นผีวะฮหอเห็นผีไม่บอง เห็นบ่เ่เห I mean ็นเคยว่าผีเคยว่าบ oh, ่ผีเคยว่าบ ah, okay. the yeah. ่เคยกลัวผีบ่เออนั่นแหละเขาต้องว่าคนจริงแล้ว่สีจะถามเอาปัญหาเดี๋ยวถามคนจริงเนี่ยผีได้ยินว่าผีเคยเคยกลัวเคยย่าดเบ่เห็นไหมบ่แสดงว่าเขาบ่มีตาทิพย์นะเขาไม่มีตาที่มันก็บ่เห็นผีที่เออต้องพูดคนจริงนั่นเนี่ยแล้วเคยเห็นเทวดาบางไหมเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่ เคยกล้าบเคยไหว้เทวดาบ่เลยครับ่เห็นเทวดาเป็นบ่สแสดงว่าเราบ่เห็นเทวดาเราบ่า ม, มีตาทิพตคนมีตาทิพตมันต้องมองเห็นเป็นอย่างไงตาทิพตของปุถุชนกับตาทิพตของพระยิ่งเจ้ามันต่างกันที่หลวงพ่อ น, นําความจริงมาเล่าให้ฟังวันนี้ดังนั้นคนเราเกิดมาเป็นคนต้องศึกษาหน้าที่ของคนและปฏิบัติหน้าที่ของคนถูกต้องดังนั้นมาทําบุญ ให้ในายเทียนมันเนี่ต้องพูดข่มจริงเอาข่มจริงมาเล่าให้ฟังเพราะนายเทียนตายแล้วไม่ได้ฟังแล้วคนเป็นเป็นนี่ฟังเองคนใดฟังง่วงเหงาเหานอนค น, นังเกียรติธรรมะพราะพูดธรรมะให้ฟังนเนี่ยพระสงฆ์องค์ใลนจิเกียรติวิทไนยไปฟังพระปฏิโมกท่านบอกว่าทำอย่างนั้นเป็นอบัติสังคาทำอย่างนั้นเป็นอบัติปรารสิกทำอย่างนั้นเป็นอบัตดิสกีปิปจิตตีท่นหน่อยแต่พระผู้ไม่รู้ทางบาริบัตเหานอนเนี่ย ผ้าต้องเกียรติยินในปฏิบัติธรรมะมันจะรู้ทําไมเพราะมันไม่เอาใจใส่ลงง่วงหลับง่วงนอนญาติโยมก็เหมือนกันถ้าหลวงพ่อพูดวันนี้ง่วงหลับง่วงนอ น, นจะรู้ธรรมะได้ยังไงว่าเกียรติธรรมะก็ไม่รู้ธรรมะที่ธรรมะคือตัวคนนั่นแหละจะาปุสลาธรรมะคือทําดีอกุสลาธรรมะคือทําชัว่วอัพยักตาธรรมะไม่ดีไม่ชัว่วทันว่าอย่างนั้นเจ้าคนเนี่ยนั่งอยู่เดียวดีเนี่ยไม่ดีไม่ชัว่ว นั่งอยู่นฟังธรมรมมากหลวงพ่ อ, อพูดให้ฟังจิตใจสบายสบายอย่างเนี้ยจิตใจสบายสบายเย็น อ, อกเย็นใจสบายใจสบายใจจะว่ายังไงเขากว่าสวรรค์ น, น้อยๆยว่าสวรรค์น้อยๆแดนนิพพานน้อยๆเราไม่รู้ว่าอ้หลักษณะความเย็น อ, อกเย็นใจไปอย่างนี้เป็นสวรรค์หลักษณะความเย็น อ, อกเย็นใจเป็นอย่างนี้เป็น น, นิพพานก็เลยเข้าถึงนิพพานไม่ไกลแต่ไม่ต้องคิดอะไรให้มากบัด น, นี้นะ่ะพระเทพให้ปางง่วงนอน หลับไปไปบ้านมึงทําไม่ดีกูทําเอาเหลือผีเข้ามาแล้วมันีเนี่ยพ่อเกียรติธรรมะไปฟังธรรมะเมื่อกี้นี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเหลือผีอยูเคยเห็นนะ่ะบอกนี่คือผีเคยได้ว่าไหมเคยพูดไหมเคยพูดไหมหลวงพ่อพูดเขาต้องมาเคยพูดเพราะถามขุมจริงให้คนได้ฟังเพราะเราจะเอาขุมจริงมาไว้ฟังคนทําชั่วพูดชั่วบับกนี่คือผีเคยได้ยินบ้างไหม เนี่ยคนมีตาทิพย์เดี๋วมันไม่มันยังเห็นคนไม่มีตาทิพย์เนี่ยใจมันเป็นเนี่ยเป็นผีใส่แข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นเนี่ยแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนใจมันเป็นผีเดีย๋ยวบาักผีมึงทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยเอาผีคือใจมันเป็นอะไรนะคนทําพูดคิดไม่มีพรมละอายในใจเนี่ยครับว่าสัตย์เดลสารจะไม่ใช่คนเป็นสัตว์เดลสาร ม, มันไม่รู้จักอายแม่มากัด <c oughs> บางที โอยงัวควรกับนพอชนแม่ไปนะตัวมงึงโอให้ว่าทุกอย่างนะอันนั้นไม่ใช่คนแต่แข้งขาหน้าตามืมอเท้าเป็นคนคนไม่มีคุณธรรมไม่รักษาคุณธธรรมไม่เคารพธรรมนี่วะมันมีธรรมไม่ได้อย่างญาติโยมฟังวันนี้ฟังได้จานะไม่ใช่จะพูดให้ออกไปทิ้งนะจะคันฟังเนี่ยเอาไปทิ้งหลวงพ่อนี่พูดไม่รู้เรื่องมันไม่ได้บุญโยบประจอนะตายได้ตระเกิดสวรรค์สันนันสันนี้ ตับกบาทแไอ้เท่านกกับเท่านี้กับโยมชอบอย่างนั้นโยมเห็นไม่เหมือนสวรรค์ซอกจนกายไม่เห็นวย่าทางกุ้งเงวไกลไปไม่ถึงมันจะถึงทําไมไม่เคยเห็นสวรรค์น่ะคุไม่มีตาที่หลวงพ่อพูดให้ว่าสวรรค์น่ะอยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจไม่ไกลคนมีปัญญาอดจิตใจสบายสบายเป็นเมืองสวรรค์น้อยๆบานี้ทําให้มันสบายทั้งวันทั้งมันเป็นเมืองสวรรค์ใหญ่ขึ้นเลย ทำทั้งเดือนบนเนี่ยสวรรค์นในขึ้นอ้าวปีนิพานแฝกเข้ามาแล้วบนเนี่ยโอ้ไม่โกรธไม่เกียรตไม่สังโอปีนิพานเนีโอ้นิพานจึงว่าเป็นความเย็นอกเย็นใจแล้วเราจะทําบุญยังไงจึงจะได้สวรรค์นในขานเนงินส่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เรียนคมรู้จบปริยเอกช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ส่วยได้เฉพาะคนมีปัญญาดังนั้นมาทําบุญให้ในเทียนในเทียนนั้นได้ไม่ได้ก็แล้วไปตายไปแล้ว เทปพวกเราอยู่ที่นี่ต้องสั่งเอาสวรรค์เอาดิพานไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับลูกกับหลานอยู่ทำดีไว้ให้ลูกทำทุกไว้ให้หลานทำผิดไว้ให้ลูกมันจะได้ทำไหมลูกก็ทำผิดตามที่ทำผิดไว้ให้ลานเหมานมันเห็นคำทำตามที่เนี่ยมาคนบูราณท่านจึงสองนเราหลังคาบ้านของเราเนี่ยบ้านเราแต่ก่อนเป็นมุงยักษ์านักแฝกนะหลังคามุงแฝ ก, กว่าสั่นกินเข้ากับหมกประแด ก, กว่าสิ่ง น, นี้ก็สบายใจเลยยิ่งบุง ยิ่งมุงนัะนะครับยิ่งมุงก็ยิ่งบังยิ่งมุงดีเท่าใดก็ยิ่งบังดีเท่านั้นฝนตกไม่รั่วลดฝนตกก็ไม่เปียกก็นอนสบายใจทนั้เนี่ยคนโบราณท่านสอนอย่างไนแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาขุมซัวยิ่งปกปิดเลยขุมซัวเนี่ยยิ่งปกปิดไปทําไม่อยากให้คนเห็นไม่อยากคนรู้พวกขุมซัวขุมยาพายไม่อยากคนได้ยินไม่อยากคนได้แบบแต่ขุมซัวยิ่งปกปิดน่ยิ่งทําผิดยิ่งรั่วลด นี่งทำผิดก็ยิง่งโดนคนโกรขึ้นมาอยิ่งโกรทัานรู้โกรธผิดหังมึงหรือแต่ว่หย ม, มันยิ่งปิดมันยิ่งแสดงความชั่วขอกมากิดมันมาพูดไม่ปเมากูไม่เมา ออกมากู้กินยิ่งกินก็ยิ่งเมานี่ยกินคือเล่าเมาแล้วก็ไม่มีผรมนอาอยากพูดอะไรก็พูดใจบางทีเม า, นนนนเเามากๆนอนกลางถนนอาจเจียนออกมาหมาเป็นเรียก็มีไป็นยังไงมันเป็นอย่างไงเนี่ยคนเราจะพรมชัว่วยิ่งปกปิดยิ่งลัว่วร้มันก็ยิ่งล่วออกมาลูกก็เห็นหลานก็เห็นลูกเห็นก็ทําตามอีพอ่อ ก, กันกินเหล้าเนี่ยอีพอ่อก็ยังด่าคุณเนี่ย อีพ่อก็ยังเตะจังตีกูเนี่อีพ่อยังไปรักประจบเนี่ยอีพ่อกูยังในะห้ล้างเส้นเนี่ยอันนี้เราข่มซั่วยิ่งปกปิดยิ่งโรลดเอาข่มซั่วมาทําให้ลูกให้หลานเล่นการพันนันเที่ยวกลางคืนคดคนซั่วเป็นมิตรพระพุทธเจ้าาทางไปนระกอย่าพึงทําถ้าเราเป็นสาวพุทธจริงๆไม่ต้องทําเนี่ยเข้าใจอย่างนี้แต่ไม่ใช่ห้ามนะถ้าคนใดฟังได้เอาไปใช้ เังว่าฝนตกถ้าหลังคามุงดีนฝนตกไม่รั่วลดเลยถ้าเรามุงไม่ดีมันจะรั่วลดออกมาเนี่ยข้มมั้วอย่าทำให้ลูกให้หลานเห็นถ้าจะผิดกันเถียงกันอมน้าไว้อย่าพึ่งพูดออกมาควอมซ้วเนี่ยมันไม่ยอมมันต้องโผล่ออกมาทันทีเหม็นออกมาคืออุจจาระพวกอย่างนี่หนักไม่หนักนะ ไม่นักเน่พอดีแล้วค้อมซัวเนี่ยพูดค้อมยับคลายออกมายิ่งพูดพูดให้คนที่ฟังไม่ดีกูใจหายเนี่ยอันใจหายรู้กจกว่าใจหายทําไมไม่เอาที่คนมันพูดเป็นใจหายในของดีไหมเมื่อของซัวที่ตัวเองใจหายทำไมจึงไม่เอาก็หยุดเรืองแล้วกันเนี่ยใจหายแต่ว่าใจหายจะมาใกล้กูนะลูกไปข จ, จะมาใกล้กูนะกูใจหายหนึ่งมันไม่ดี ลูกเมียมาหายกูใจหายเนีเบิง้งเท้าคำปั้นเข้อม่มือเนี่มันรอไปเล น, นะนี่ยมันแสดงว่าผีมันเข้ามาใกล้คนแล้วนี่ย่ยาเพิ่งเป็นอย่างนั้นเราเป็นสาวพุทธการทําบุญหาในเทียนหรือให้ในเทียนในเทียนเอาไม่ได้พวกเราที่คนเป็นป น, นี่แหละเอาได้เอาไปใส้กับชีวิตลงดูลงพ่อเข้าใจว่าเมืองสวรรด์เมืองนิพพานจะเอามาใส้กับชีวิตนี้ไม่ต้องรอคอยใครที่ไหนแต่เราไปรอคอย ทำบุญศาสตรนี้ศาส์หน้าจริงมเขาแล้วคนทำบุญวันนี้เอาวันนี้สองคนนี้ใครจะกินก็ใครพูดดูแล้วจะเอาวันนี้นะควันนี้วันนี้เรากินข้าววันี้เราหยิยวข้าวปีหน้ายังจะกินแล้วก็กินเดียวนี้ใครจะ ก, กินก็ใค้คนสลาเขาต้องกินเดียวนี้เการทำนานจะพูดเห็วสักทำนานเนี่ยพวกคนกินฟางไม่เปลี่นกินข้าวเปลือกไม่เปลี่ยน กข้าวสารไม่เป็นจำเป็นต้องกินเข้าสุกแต่ทิ่งข้าวเปลือกไม่ได้ข้าวเปลือกว่าไวเป็นพัน์ฟางเอาไว้ทำไมเอาไว้ให้วัวให้ป่วยกินข้าวเปลือก เ, อเ น, นี่ย ใ, ใ, ใ, ใ, ให้เป็ดให้ไก่กินให้หมูกินข้าวสารใครก็กิกนแต่คนกินไม่ได้ตัวมดตัวแมงขนไปแกะแล้วมันข้าวเปลือกทิ้งเนี่ยมันแก่กินเตียไหนหมดหมดมันยังรู้จักเลือกกินเป็นแล้วคนทำไมจึงเลือกเอาไม่ได้ ก็แสดงม่าตัวเองสลาดไหมยังไม่สลาดออกถือศาสนาพุทไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาที่พูดนี่ทุกคนจริงใจแล้ววัเดี๋ยวโอยเต็มทีนะหลวงตานี่มาพูดอย่างนี้คนอำเภอปักสมมาพูดมากแล้วนะหลายครั้งหลายโหนแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะว่าไปเทศคนอื่นมันไม่สนุกอันนี้บ้านในเรียนเป็นบ้านลูกชายต้องพูดคำจริงจริงเพราะเราจะเปิดเผยของจริงถ้าคนได้มาเปิดเผยของจริงแล้วเขาว่าโกหก หลอกลวงกันไว้คนโกหกดีไหมไม่ดีคนหลอกลวงดีไหมไม่ดีคนพูดความจริงดีไหมแต่ดีก็ชักไม่ดีก็ตามพูดความจริงแล้วเป็นสัจจะพูดความจริงแล้วเป็นคนไม่ตายวันนี้จึงมาทําบุญหาในเทียนหรือให้ในเทียนคือพวกเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอย่างไรเราหลายคนพูดกันในน้อยกับพวก้ฟังแล้วมีในเทียนกับหลวงพ่อแม่ไทยนางไทยนาง นางไทยในกลพูดกันแล้วบัานี้วงการใหญ่แล้วบัดนี้เราจะทํำยังไงในตระกูลของเราสังคมของเราหรือทราบครัวของเราจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขคนอื่นจังจะไม่เข้ามาโหกหกหลอกลวงเราจับเป็นต้องเป็นพักเป็นพวกไปไหนมาไหนมีพักมีพวกมีเพื่อนมีฟูงเนีะะ่ยวพูดแก่นั้นโอ้ oh, พี่น้องมันมีนะพูดแกนในกลัวคนนั้นจะได้ยินนะเพื่อนฟูงเขามีนะเขากลัว แต่คนเดียวเนี่ยไม่กลัวคอนจีหัวปลอกเรียวไปเล ย, ยเนี่ยป็นอย่างนั้นดังนั้นคนเราอยู่ที่ไหนไม่ต้องสร้างความเย็นน้อยต้องสร้างควายิดเมื่อความเย็นแล้วอยู่ที่ไหนปลอดภยคนบูราณถ้าเจอโซนอะไม่ลําเดียวลมหัวบกวควยบนว่ดมันจะควยทําไมไม่ลําเดียวบะนี่ไม่หลายลําบะนี้เอาไปมัดที่นั้นบ้างมัดที่นี่บ้างหัวควยไม่เข้ามากัดพลิกฝ้ายของเรา ผลไหมของเราเพราะหลายคนพักพวกอยู่ด้วยกันอย่างอาศัยซึ่งันและการการทำการพูดการคิดใครทำผิดบอกว่าผิดใครทำถูกโบนถูกแล้วก็เอาไปใช้ได้แน่นออย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนของจริงเราสมมุติให้ฟังไม่ต้นเดียวขึ้นอยู่อย่างนี้ลมพัดมาแรงๆตู้มหักทันทีอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยหลายลาบเอาลำเล็กก็อาศัยลาโต ลำโตก็าอาศัยลำเล็กแม่ห่้าแพทย์ทีนะ่แท้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยลากมาันาให้มันได้ดีดังนั้นคนต้องอาศัยหลายคนดูกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นบ้านเป็นเมืองมีพักมีพวกดังนั้นเขาจึงตั้งผู้ให ญ, ญ่บ้านขึ้นมาตั้งกำนันขึ้นมาตั้งตำรวจขึ้นมาตั้งทหารขึ้นมามันเป็นสมมุติให้เรารู้จักรหน้าที่ของคนพอเราแม่เรานี่เราต้องรู้จักคนถ้าไม่รู้จักของ หน้าที่ของตัวเลยปฏิบัติผิดพูดผิดคิดผิดความผิดก็นำความเดือดร้อนมาให้เราทุกคนไม่ต้องการาทุกทุกเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้จากหน้าที่นั่นเองเราทำผิดพูดผิดคิดผิดคนนั้นพูดขัดใจคนนี้พูดขัดใจอันมันขัดใจแต่มันสบายไหมไม่สบายไม่สบายจะไปมาขัดทาไมมันก็สบายใจไม่ต้องขัดใจใครจะพูดยังไงเขาห้ามเขาไม่ได้ เราต้องห้ามใจเราที่พระพุทธเจ้าท่างสอนเอาอัสนะคนอื่นร้อยทีพันทีไม่มีประโยชน์เท่าอัสนะตนทีเดียวทา่านเดียวนี้มันพูดไมได้มึงอย่าพูดให้กูนะมึงตําหนิกูนะเนี่ยเอาเขาพูดเส้ยเพียงลมปากเท่านั้นเองดังนั้นเรามาฟังเทศฟังธรรมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังวันนี้พูดกุ้งก้วแต่พูดสั้นที่สุดต้องศึกษาธรรมะศึกษาที่ตัวเราศึกษาที่ตัวเรา เราละโทสะโมหะโนภะได้นั่นแหละเป็นพระเดียบุคคลพระอยู่ที่ตรงนี้ทำดีพูดดีคิดดีนั่นแหละคือเทวดานี <c oughs> พ่พ <c oughs> โออิตานี่ใจดีคือพระธรรมไม่กดลูกกดหลานเอ <c oughs> <c oughs> เป็นพ่อบ้านเม่เบืองคงสบายใจเป็นต้นโพตนั่นแหละให้เราเข้าใจว่าพระธรรมคือใจดีพูดดีเทวดาก็คือคนมีหิริโอตปะดิว่าสมมุตติกะเทวดา ปั จ, จิกาเทวดาวิสุทธิเทวดาเทวดาสมมุติขึ้นมาต้องรู้จักสมมุติจริงๆถ้าไม่รู้จักสมมุติแล้วเราจะเดินไปที่ไหนไม่ถึงเล ย, อยเปอย่างนีน้เมื่อเราเห็นเทวดาเราก็ต้องเห็นผีที่บป็ น, นี้็มันตรงกันข้ามผีกับเทวดาคนใดพูดชั่วทําชั่วคิดชั่วอไอ้นี่คือผีแต่ตัวคนไม่ใช่เป็นผีนะมันใจเป็นผีบักผีเน็ตติดมาไป บันี้คนใดพูดดีคือเทวดาพูดเนี่ยตัวเป็นตัวปิดใจมันเป็นเทวดายังว่าการทําพูดคิดรู้จักจิตตัวเองละอายจิตตัวเองบ้างขอเป็นเทวดาเทวดาจะมีมีหิลิโอตปะคราวใดเวลาใดนึกคิดมีหิลิมีโอตปะขวมเกลี่ยนวภัยในโอ้กูเป็นเทวดาแล้วสมตัวเองบ้างยกมือไหวตัวเองบ้างส้มตัวเองสมทําไม เราพูดดีเราทำดีเราคิดดีเพราะภูมิใจในการกระทาของตัวเองทาดีนั่นเองให้เข้าใจอย่างนี้แต่คนอื่นทำดีไปภูมิใจในท่านได้อะไรก็ไม่ได้อะไรกับท่านท่านทำดีท่ากดีเองเราทำชั่วมันจะดีไหมดีไม่ได้ดังนั้นการฟังธรรมะวันนี้ต้องเข้าใจไม่ต้องพูดเป็นภาษาบาลีบอกแล้วไม่ต้องพูดงหมุสตะพูดภาษาให้คนฟังได้ผี ในขณะทําชั่วอพูดชั่วเราเป็นผีแล้วโวยตายผีแล้วเ น, นี่ยบัดนี้เราวโกรธขึ้นมาลูกหลานมาเอาใจกูมาดีเท่งเอาใจดีเข้ามามันก็หายไปความจริงใจซั่วไม่นี่ความโกรธไป ม, มีมันมีทําไมสุดผมโกรธได้ในขณะที่หลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจมันยังโกรธขึ้นมา แต่คนเราไม่ชอบเกิดมาแล้วสแสวงหาของดีหาเครื่องรางของขังปุกเสกเลือกงามยามดีหาไปอย่างนั้นของดีมีในตัวไม่เอาเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเนี่ยพูดคนที่ให้ฟังไปเรียนมนต์กับญาคุณมากลางพรรษาทั้งสามเดือนไปอยู่กับยาคุณมาควา ม, มนต์ท่านสอนอมธุรีธุรีอะไรอ่นีอก็มีแผ่นทองกั้งผ้งนาน้าผ้ากุ้แกนปันหีกินกุแก่นปันเหล็ก คนแค้งกูทอดน้ำขาคนขากูทอดขนเม่นกูจักเต้นไปได้มโอโยยอพันวาพญามนต์ทั้งหลายเจ้ามากกรามมาไว้กูเองมั้ว่าไปยังสมมุติพูดเท่านั้นเองปฏิบัติธรรมะรูกบงคอตัวเองไม่มีเพ่นหล็กเพลนหอบพระโต้ตกใจวา่าหนึ่งเนี่ยเป็นไปนอย่างนั้นจะบคนงโง่เท่านั้นเสื้อลึอกงามยานขันวางโง่เนะกกากี้นะคนไมรู้จักไม่อย่างเป็นทะไรคนไปเพิ่งลึกงามยานดีเครื่องรางของขาง คาถาขาถมสนมสเสนสลีการินทองมีไว้เพื่ออะไรมีไว้สําหรับหลอกคนโง่เท่านั้นเอ ง, ไ ม, งอเไม่ได้คนโง่หรือคนบูคืออะไรมาได้มันอยู่ในถ้ำมันไม่สแสวงหาคนที่ดีมีความรู้มันคนได้ใช้เครื่องราง ข, งของขังเท่า น, นั้นปลูกเสกอะไรนนะียมันมีไว้สําหรับคนโง่เท่านั้นเองคนสลาดเขาไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เราจะโง่หรือเราจะสลาดเรางงงกับสลาดนี่อะไรดีหลวงพ่อเขาจะบอกคนสลาดดี คนกินข้าวเปลือกดีไหมเขากินจนตายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหลกมันคายคอกินข้าวสุกดีไหมมีรสชาติบัดนี้เอาข้าวเปลือกมาไว้ข้าวมีไนท์บัดกับเอาข้าวรีบมาไว้เขาไม่มีไน่ะจะเอาอะไรเอาข้าวเปลือกมาไว้เม็ดเดียวดีมีแต่เอาข้าวรีบมาไว้หลายๆเป็นของพเนินท่อภูเขานียไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาว่าข้าวผีคนไม่ใช่ข้าวคนข้าวผีกินข้าวผีกินข้าวผีมันจะมีรสชาอะไรกินเขาเขาไม่มีไน เราต้องเอาเข้าเปลือกเอามามีในเอามาเพาะปีหน้าเนี่ยมันจะออกงอกขึ้นมาเป็นก้าเอาไปดำนาเป็นลําฟางขึ้นมาโค้งขึ้นมาเป็นข้าวตึงขึ้นมาไปเกาเอามาไว้ตาเข้าลงสีเป็นเข้าทีหนึ่งสีออกมากินก็มีรสดีขายก็ราคาแพงถ้าเข้าตากไม่ดีนะเอาไปเข้าลงสีหักเครื่องหักกลางออกมาบางทีเป็นเข้าวทีสองบางทีเป็นเข้าวทีสามบางทีเป็นแก่เป็นทำ เป็นฮัมเอาไปทําไมเอาไปเลี้ยงหมู <Okay. S 1> เข้าทีสามเข้าปลายเขาว่าเอาเบอร์นึ่งถิ่นก็คกนังชั่วถ้าเข้าทีหนึ่งเนี่ยมีรดตลตดขายราคาก็ดีเลือกเอาให้ได้ยังว่าทางก่วงยาวไกลไปให้ถึงลักษณะสินมาเมื่อใดจะจบกันไม่จบแสดงว่าเราไม่รู้ลักษณะสินให้ทานมาเมื่อใดจะจบไม่รู้จักจบก็แสดงว่าเรายัางไม่ให้ทานทํนากรรมฐานมาเมื่อใดจะจบเมจะสงบ ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสงบก็แสดงว่าเรายังทําไม่ถูกต้อง อ, อาจรดังนั้นทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรต้องเข้าใจเอาไปใส้ในทิตของเราพอบ้านแม่เลือนเอาธรรมะไปใส้ได้ให้มีพระอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจเอาไปใส้กับลูกกับหลานเป็นพระลูกเป็นพระหลานเป็นเทวดาของลูกเป็นเทวดาของหลานอย่าไปเป็นผีของลูกอย่าไปเป็นผีของหลานเหรอ หลังคาบ้านมุงเราเออบ้านของเราเลยยิ่งมุงคอยิ่งบังยิ่งมุงแต่ถ้าฝนตกมันกระ บ, บังดีที่แดดออกกะ บ, บังดียิ่งมุงยิ่งบังฝนตกไม่รัวลดมันจะมาลดเราได้ทําไมฝนตกมันไม่ไ ม, ไ ม, ม, ไม่มันไม่หัวมาเลยนั่งนอนสบายเลยบันนี้บ้านน้นนนอยๆหลังคามุงแฝกกินข้าวจ้ำประแดกดก็สบายใจฝนตกไม่ลดมันไม่เปียนสบายใจอันนี้เป็นภาษาพื้นบ้านของเราจริง พ่อแม่พูดให้ฟังทำไมไม่รู้กบพ่อแม่ไม่สอนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดความจิงให้ฟังมันเป็นอย่างนี้ขุ่มซั่วยิ่งปุกยิ่งปิดยิ่งปกปิดไม่อยากให้ลูกเห็นยิ่งทะเลาะผิดเถียงกันสามีภรรยาพักพวกพี่น้อยิ่งไม่อยากให้คนอื่นเห็นคนไอ้น้องผิดกันนำโอ้ยไอ้น้องกับเขาทะเลาะผิดเถียงกันยังไปซื้อจำเนื้อเอาไหมเนี่ยไปยุเข้าเขายุให้เราผิดกันเขายุให้เราแตกกัน เราก็ยิ่งโผไปเขาบอกคนอันนั้นยังยังสลาดไม่พอขันว่าสลาดไม่พอแขนหน่อยนึงขันจะว่าคนนั้นมันโง่ที่สุดแล้วโง่เต็มทีแล้วโง่แบบเชียดคนนี่เก๊กโมจริงโง่กับไม่สลาดอันเดียวกันคนโง่เท่านั้นจริงแสดงความอย่างนั้นให้คนเห็นถ้าคนสลาดแล้วเขาจะไม่พูดเลยมันเป็นอย่างนั้นที่นํามาเล่าให้ฟังอันนี้มาสอนกระทุกคมจริงใจเพราะว่านานๆจริงได้มามาแล้วก็ต้องพูดโกมจิงให้ฟัง คนใดไม่มาฟังวันนี้ก็แสดงว่าโชคไม่ดีสตาไม่ดีลึกไม่ให้อะไรก็ไม่ได้คนใดมาฟังวันนี้จาได้เอาไปปฏิบัติใช้ขับซีก็ลึกกองามงามก็เพาะขอให้เรามีความสุขความเจริญธันว่าอย่างนั้นนึกว่าลึกก็งามงามก็ดีลึกก็เพาะยามก็เพาะว่าทา บ, บุญมันเกิดให้เราเกิดวันนี้ดีกว่า ตายวันนี้สักขวบอชัวตายวันนี้ักเกิดสติปัญญาเอาสติปัญญามาใจกับสิทธิ์ของเราจริงว่าวันเอยวันนี้คือวันอะไรวันพรุ่งนี้วันมื้อเล่นี่คืออะไรยังไม่สำคัญเท่ากับวันนี้วันนี้แหละวันสำคัญสำคัญหน้าวันนี้นะสำคัญไม่หรอกสาคัญพูดความจริงให้ฟังจร่งวันนี้แหละคือวันสำคัญ ขอให้พวกเรามีความสุขสนุกสนานสำํำลานสีเลือกของามยามก็ดีถ้าเรามีความสุขด้วยคุณธรรมพระบารมีอย่างนี้เธอกันไว้คนโบราณยังว่าเราจะให้ใครมาทําให้เราเราไม่ทำใครจะทําก็ต้องเราทําเองพูดเองคิดเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมาตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดให้ฟังอย่างสั้นๆเพราะว่า เวลามันไล่ไปเวลามันไล่ไปเราจะไม่ได้ฟังแต่คนในต้องกานฟังกว่าใหจำอันดีนะจําบทนี้ใกล้ๆนะหลังคาบ้านของเรายิ่งมุงก็ยิ่งบังฝนตกจะไม่รัวลดฝนะตกมันไม่หกลงมามันก็นไม่ลดเราควอมชั่วควอมผิดเนะยิ่งปกยิ่งปิดจะเป็นะยิ่งรัว่วรดยิ่งพูดชั่วยิ่งทําชั่ว ยิ่งคิดซัวให้ลูกให้หลานเห็นว่ายิ่งลั่วไปยิ่งลดลงไปเพราะมันยิ่งขยายอย่าเพิ่งทำพูดอย่างนี้จะหาว่าเอ้ยไม่ได้แล้วอันนี้ก็ลูกลูกห ล, ล, ลานหลานทางนั้นมาที่นี่ไ ม, ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเป็นเพื่อนกันถามว่าลูกหลานทําไมหลงตายัางจะมีลูกมีหลานเนยไม่ได้อย่างนั้นก็ต้สมมุติต้องเอาสมมติว่าให้ฟังลูกหลานเพื่อนบ้านทุกคน เป็นเพื่อนกันเกิดแ ก, เก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยคนใดผิดต้องเตือนกันได้ให้อภัยคนอื่นบ้างคนไม่ให้อภัยคนนั้นคนนี้จะมีประโยชน์อะไรเนี่ยคนให้อภัยคนนั้นคนนี้นะท่นว่าดีมากเลยว่าการทำการพูดการคิดไม่รู้จกักจิตตัวเองะไม่มีความละอายตัวเองไม่ให้อภัยแก่คนอื่นนั่นขำว่าคนนั้นทดี๋ยวพูดอย่างว่าเลยคำว่าคนไม่มีปัญญาคนโง่เท่านั้นเอง คนใดทําผิดแล้วแก้ตัวแก้ตัวทันทีโอ้ผู้นี่ผิดแล้วรับสารภาพคนใดรับสารภาพไปแล้วก็อดนัน้นแหละไปแก้ตัวเองดังนั้นที่หลวงพ่อได้นําธรรมะ ม, มาเล่าสู่ฟังตึงการทําบุญหาในเทียนแต่ในเทียนไม่ถึงหนอกถึงพวกเรานั่งฟังอยู่นี่เนี่ยพี่พี่น้องนลูกลูกห ล, ล, ล า, ลานหลาเนี่ยถึงแท้ๆพวกนี้ถึงเพราะทำไมเจ้าหูได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราล่าไปปฏิบัติที่จะหวังถึง ทำบุญให้ไในเถียนเถิงในเถียนได้แต่ให้คิดให้มันดีคิดให้มันดีเราจะจับที่ไหนตรงไหนต้องรู้จักอย่าั้เอาแหละที่น้นำหนักนําธรรมะมาเล่าสูงฟังวันนี้ก็เห็นว่าคุณพรเกินเวลาแล้วท้ายที่สุดนี่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมลูกลูกห ล, ลานหลานมานั่งฟังธรรมะที่นาาา่าตาตนี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมาสมพุทธเจ้า มาเตือนจิตสักิตใจของพวกเราให้เราทุกท่านทุกคนจงประพฤติดีปฏิบัติชอบดูกายดูใจเอาศนะกายเอาศนะใจดูจิตดูใจที่มันนึกมันคิดเอาสนะแม้ได้ในขณะนี้เอาสวรรค์เอานิพ v a n มาไว้กับเนื้อกับตัวเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้กับเนื้อกับตัวเราเ ให้เราได้เข้าถึงพระพุทธเจา้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์ในชีวิตนี้จง ท, ทุกคนเธอ